สวดมนต์ภาวนาอย่าให้ขาดครั้งแรกที่มาพอได้พบได้กราบและฟังเทศหลวงตาอยู่ๆท่านก็ชี้มาที่ข้าพเจ้าถามว่ามากับใครข้าพเจ้าคิดในใจว่าท่านเนี่ยุ่งคนเป็นล้านมาชี้เราคนเดียวฟังเทศก็ไม่เข้าใจจึงหนีลงมากินข้าวต้มซึ่งอันนี้คือสิ่งที่ท่านบอกว่าคนเราเวลากิเลสมันเต็มใจจะฟังเทศไม่รู้เรื่อง แต่พอกลับไปกรุงเทพแล้วทำไมจิตใจจึงรำลึกถึงแต่ท่านก็ไม่รู้จึงได้ส่งปัจจัยไปถวายทำบุญกับท่าน2 0 0บาทแล้วหลังจากนั้นก็เกิดความเป็นห่วงเป็นใ ย, ยท่านจึงคอยส่งไม่ว่าจะเป็นปัจจัยหรือผลไม้ไปถวายอยู่เสมอทำเองคนเดียวไม่พอยังได้ชักชวนเพื่อนมาร่วมทำหรือส่งของไปทำบุญกับท่านเป็นประจำอีกด้วยพอเงินเดือนออกก็ส่งธนาณัติไปถวายท่าน เริ่มตั้งแต่200บาทก่อนส่งไปได้ไม่กี่เดือนก็มาถามตัวเองว่าจะเอาบุญวาสนาแค่200บาทเหรอใจก็บอกว่าไม่หรอกอยากได้มากกว่านี้พอเงินเดือนขึ้นก็เพิ่มจำนวนเงินที่ส่งไปถวายท่านขึ้นด้วยท่านก็มีจดหมายตอบมาในจดหมายท่านสอนว่าไปไหนให้สวดมนต์ภาวนาให้ทำบุญไปเรื่อยๆอย่าให้ขาด ข้าพเจ้าก็ปฏิบัติตามคำสอนของท่านพอท่านบอกว่าให้สวดมนต์ยาให้ขาดข้าพเจ้าก็ทำตามถึงเวลาก็สวดเรื่อยสักพักนิสัยที่เคยบ้าซื้อของก็หยุดเวลาเดินผ่านร้านขายของก็รู้สึกเหมือนมีเสียงบอกในใจว่ามีอยู่แล้วไม่ต้องซื้อมันขึ้นมาที่จิตเองเลยมันเห็นผลสวดไม่ได้ประมาณปีสองปีจากที่แต่ก่อนคอยเปิดปฏิทินเปิดแผนที่ว่าจะไปเที่ยวประเทศไหนกับทัวอะไร จะลงเรือเดินสมุทรหรือขึ้นเครื่องบินก็กลายเป็นชวนเพื่อนเข้าวัดเรียกว่าเป็นการแบ่งเวลากลับบ้านเก่าคือเตรียมตัวตายจะได้ไม่ต้องพึ่งคนอื่นช่วงนั้นก็ไปกราบท่านประมาณ 3-4 ถึงเดือนต่อครั้งข้าพเจ้าถึงอยากบอกทุกคนว่าให้สวดมนต์อย่าให้ขาดไม่อย่างนั้นกระแสธรรมจะขาดทันทีเวลาไหนก็ได้แต่ต้องสวดไว้เรื่อยๆเป็นการรักษาพลังให้ต่อเนื่องให้ได้ ก่อนพบท่านข้าพเจ้าก็สวดแบบนานทีปีหนนหลังจากท่านสอนว่าให้สวดมนต์ทำวัดเช้าสวดมนต์ทำวัดเย็นข้าพเจ้าก็ทำทุกวันแรกๆใช้เวลาครั้งละราว12นาทีแต่พอคล่องก็ใช้เวลาประมาณเจนาทีสักระยะหนึ่งก็เกิดความอัศจรรย์จากที่แต่ก่อนขนาดกลางหนังสือสวดจนหนังสือสึกกร่อนก็ยังจำบทสวดไม่ได้สักทีแต่แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งข้าพเจ้ากำลังตอกอิฐสีแดงจะใส่ต้นแคทัส ทำไปก็สวดภาวนาในใจไปด้วยอ ย, ยู่ๆบทสวดก็ผุดขึ้นมาในใจไม่ขาดสายหลังจากนั้นก็จําได้หมดจากนั้นมาก็ไม่ต้องเปิดหนังสืออีกเลยนับก็เป็นเวลาเกือบสองปีหลังจากเริ่มสวดและช่วงไหนถ้าจิตใจมันมีกิเลสมากๆตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะสวดมนต์เลยทั้งๆที่ทยังง่วงมากนี่แหละนั่งพิงหัวเตียงสวดไปภาวนาไปแล้วตอนที่เราตื่นนอนนี้จิตจะสงบ จิตยังไม่คิดเรื่องอื่นๆข้าพเจ้าเชื่อที่ท่านสอนจึงอุตสาหะทำไปมันก็เห็นผล